บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปโทตกะมานพ์ซึ่งเป็นอุปสีละวะมานพ์จึงซึ่งเป็นมานพคนต่อไปได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้านมีความเชื่อมีความศรัทธา ในพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นสมันตเจสุคือ ท, ทรงมีจักสุรอบด้านเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งธรรมะอย่างแท้จริงสำหรับตัวท่านเองนั้นโดยลำพังแล้วก็ย่อมไม่สามารถที่จะช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากโอคะทั้งสี่ไปได้จึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ให้สัตบอกข้อปฏิบัติที่จะทาให้ท่านหลุดพ้นจากโอคะทั้งสี่คำว่าโอคะนั้นแปลว่ากิเลส ท, ที่เป็นเหมือนกับพวงน้ำใหญ่ซึ่งเป็นการอาศัยรูปธรรมที่ปรากฏแก่ตาของบุคคลเหล่านั้นอธิบายลักษณะของนามธรรมคือกิเลส ก็มีลักษณะเหมือนกับขั้วน้ําที่ทําหน้าที่พัดผันสิ่งต่างๆจึงตกลงไปในกระแสให้หมุนไปตามกระลังของตนสิ่งอะไรก็ตามที่ตกลงไปในกระแสน้ําแล้วย่อมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเกิดวสุงตัวเองอยู่ไม่ได้เพระถูกกระแสน้ําพัดผันให้หมนนนนุนไปเวียนเปลี่ยนไป อาจจะประสบอันตรายจากคลื่นบ้างจากน้ําบุญบ้างจากสัตว์ ร, ร้ายบ้างจากปลาไร้บ้างซึ่งมีอยู่ในกระแสแห่งแมนนน่น้ํานั้นๆกิเลสคือเครื่องสมองใจที่บังเกิดแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะทําหน้าที่พัดผันจิตของบุคคลให้หมุนไปแล่นไป ทายไปจะถึงกระแตกทำลายไปในกระแสของตนคือในกระแสของกิเลสล่า น, นั้นเราจะพบว่าในแง่ของสังสารวัฏแล้วพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่จะตกไปในกระแสของกิเลสถูกบรรดากิเลสต่า น, นั้นบงการบังคับใช้ ให้ทาให้พูดให้คิดไปตามแรงของเขาที่เข้าไปปรุงจิตของบุคคลในขณะนั้นนั้นึงกิเลสกลุ่มนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกชื่อไว้หลายชื่อด้วยกันแต้นแล้วแต่เป็นอาศัยรูปธรรมมาสอนนามาทมคือกิเลสจะเรียกว่ากันถะที่แปลว่าเครื่องผูกมัด เรียกว่าโยคะเป็ว่าสิ่งที่ขังบุคคลเอาไว้เรียกว่าอาสวะคือสิ่งที่หมักผมอยู่ภายในใจคนเป็นต้นเมื่อบุคคลมองเหตุโทษของกิเลสเพราะเรื่องของกิเลสทั้งหลายนั้นประเด็นสําคัญอยู่ที่การมองเหตุโทษเสียก่อนหากว่าบุคคลไม่มองเห็นโทษแล้วความคิด ที่จะถ่ายถอนตนออกไปจากอำนาจของกิเลสเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นปริยายแห่งธรรมะที่ท่งแสดงซึ่งสรุปรวมที่อริยสัจในทุกศาสตร์อันทรงสอนให้รู้สภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มุ่งหวังไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่ทรงสอนในบุคคลปรับใจยอมรับถึงความจริง ของปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยแต่ในด้านสมุทัยศัตร์นั้นจะทรงชี้โทษให้บุคคลมองเห็นรปจากชาัดแก่ใจของตนก็สรุปว่าเรื่องของกิเลสนั้นต้องมองเห็นโทษโอคะทั้งสีประการก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงจำแนกแสดงไว้ว่า เดิงกามโมคะห้วงน้ำคือกามความหมายก็เป็นไปทั้งสองประการแต่ก็เน้นไปที่กิเล ส, สตามคือกิเลสเป็นเหตุใกล้ดังนั้บุคคลพยายามมองเห็นโทษของความรักความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความโลภกวาละโมบความอยากได้ความประสานอยากในอารมณ์ต่างๆวิยธรรมหน้าที่ปลักใส จิตใจของบุคคลในเล่นไปสู่อำนาจของตนธรรมดาคนที่ถูกปรักัยนั้นจะสูญเสียการทรงตัวจนถึงหกล้มลงไปและเป็นอันตรายในที่สุดชั้นใดใจของบุคคลที่ถูกกิเลสประเภทต่างๆปรักายไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นและในกลุ่มของวัตถุกรรม ท, ที่จริงกลุ่มของวัตถุกรรมนั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นได้ถูกต้องโดยกายแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายเองก็เป็นกลุ่มของวัตถุกรรมคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเกาหนักรักคข้ยินดีขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตามปกติแล้วทรงสอนให้รู้แต่ถ้าบวกกันทั้งสองอย่างก็ทรงสอนให้เห็นเป็นโทษ จิ้มองให้เห็นว่าเป็นเหมือนกับหูกฝีกรัดหนองบ้างเป็นเหมือนชิ้นเนื้อหน้าไฟบ้างเป็นเหมือน ก, การถือคบเพลิงทวนลมบ้างเป็นก็เหมือนผลไม้ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะแก่ชนทั้งหลายบ้างหรือเป็นเหมือนเหลาเหมือนห อ, อกเหมือนแหลนซึ่งมีลักษณะเสียแทนเพรานี่บุคคลจะต้องน้อมนึกเข้าไป ท่ามองเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมกิเลส ก, กามและวัตถุ ก, การามทั้งหลายว่ามีลักษณะเหมือนหลาเหมือนแหลนเหมือนหอกก็เรียกว่าสิ่งมีคมที่ปลายแหลมมีการเสียดแทงบุคคลก็จะต้องพิจารณาตามไปโดยอาศัยหลักขงโยนในโสมนัสิการที่ทรงแสดงไว้ให้ใช้ในกรณีถึงทุกๆกรณีนันว่าสิ่งเหล่านี้มีการเสียดแทงจริงหรือไม่เราก็จะพบความจริงว่า ความกำหนัดความรักใคร่ความยินดีพอใจชอบใจในอารมณ์อะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียดแทงใจของบุคคลให้คอยคว้าปราถนาและเมื่อขณะที่คอยคว้าปราถนาอยู่ก็ต้องมีการประชนอุปสรรคอันตรายต่างๆมีความทุกข์ทรมานความเหนื่อยยาก การต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายและเมื่อได้มาแล้วมันก็เสียดแทงใจให้เพลินอยู่ระยะหนึ่งต่อจากนั้นก็จะสร้างความมีตกกังวลห่วงใยให้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจะไปไหนมาไหนก็มีลักษณะที่ห่วงหน้าพาะวงหลังทีนี้ถ้าบุคคลไม่มองไม่เห็นในจุดนี้ก็อาจจะมองถึงสภาพจิตที่มีอาการห่วงหน้าพองหลัง เมันเกิดขึ้นจากอะไรบุคคลก็จะเพราว่าเกิดขึ้นจากความมีความเป็นคือตอนมีสิ่งนั้นอยู่ในสถานที่นั้นแต่ต้องไปที่อื่นจากสิ่งนั้นไปไปจะไปหาสิ่งอื่นในที่อื่นตัวลงกรจาของบุคคลก็วิ่งไปสองด้านคือสิ่งที่ตนจะไปหาและสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วอาการเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดเป็น การห่วงหน้าพระองหลังบางนี้ตองนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่กับกามะคุณหรือวัตถุ ก, กามหรือกิเลสศึกและ ก, กิเลส ก, กามจิตใจของบุคคลก็สับสนว้าวุ่นไปอย่างนี้คราวนี้บึงดูตัวอย่างในกรณีของพะโะคะโอคะคือพบคือโอคะตั้ง4ประการนี้ประการแรกก็คือกามโคะโอคะ ค, คือกามทั้งกิเลสและทั้งวัตถุ พวคะโอคฆคือพบที่ตัวค่โอคฆคือทิฐิอวิโชคฆ์โอคฆกวิชาก็มีอยู่สประการในที่นี้จะยกตัวอย่างพวคะโอคฆ์คือพบคำว่าพบนั้นแปลว่าความมีความเป็นหรือสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นท่านจำแนกแสดงไว้สองประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกคือสังขารพบ ได้แก่สิ่งที่เกิดปรุงแต่งใจให้ใจของบุคคลมีความรู้สึกตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลักษณะของสังขารเพบจึงเหมือนกับสีต่างๆที่บุคคลดูดลงไปในน้ําำสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความยึดถือการกําหนดหมายน้ําสีแดงน้ําสีเขียวน้ําสีเหลืองน้ําสีดําหรือน้ําสีอะไรก็ตามก็มีความยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหียดนั้น ในสภาวะาของน้าเหล่านั้นเจอถึงก็มีการถกเถียงมีการทะเลาะวิวาทกันต้องการจะเอาชนะขัาขานกันเป็นต้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทันนี้ก็เกิดจากการถูกปรุงแต่งของจิตด้ย ก, การที่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านใช้กันมาสังขารเข้าไปปรุงแต่งจิตก็ให้เกิดมีการกำหนดหมายขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะมีการปรุงแต่งเรื่อยๆจากการและมีการกําหนดหมายไปตามลําดับบางอย่างก็เป็นเรื่องเกา่าบางอย่างก็เป็นเรื่องใหม่ทุกขั้นตอนของการปรุงแต่งคราว น, นี้เพิงดูตัวอย่างว่าการปรุงแต่งว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้กิเลสที่ยังไม่เกิดแกก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจะนับเป็นพระธรรมดาสามัญ ได้รับการปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นพระครูให้เป็นเจ้าคุณก็เกิดมีความเป็นขึ้นมาภายใน ใ, ใจว่าเราเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นกรรารจัดการผู้ใหญ่เป็นคนร่ำรวยหรือเป็นอะไรก็ตามก็เป็นกันมากาเหมือนกันนี่มันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งปรุงแต่งมาจากภายนอกแล้วก็ใจไปรับการปรุงแต่งเหล่านั้นแล้วก็ปรุงแต่งต่อไป ไม่ว่าจะการเป็นอยู่การต้อนรับปราศัยการไปในสถานที่ต่างๆจะเหมือนก่อนไม่ได้อีกแล้วถ้าหากว่าใครต้อนรับยกตัวอย่างเช่นว่าจากพระธรรมดาเป็นเจ้าคุณไปไหนเขาต้อนรับผิดปกติธรรมดาไปถ้าใจไม่รู้เท่าทันอารมณ์หล่อนนั้นเช่นในกรณีที่เขารับเต็มศรรษษักดิ์ศรีก็เกิดมานะสืบต่อไ ป, เ, ปอเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ ความพองขึ้นของใจก็จะติดตามมาเจอนั่งอัจฉริะสูงกว่าคนอื่นก็มองคนอื่นใยสายตาจริงๆเราใหญ่กว่าเราสูงกว่านี่เป็นลักษณะของกิเลส ท, ที่ต่อเ น, นื่องมาจากความเป็นใจที่กําหนดว่าเราเป็นซึ่งบุคคลได้ปรุงแต่งต่อไปจากจุดนั้นที่นี้ถ้าหากว่ามีการต้อนรับไม่สมศักดิ์ศรี ก็จะเกิดเป็นปฏิฆะคือความไม่พอใจความหงุดห ง, งิดกราดกลุ่มบังเกิดขึ้นในภายในแต่นั้นการปรุงแต่งกองจิตที่จริงเมื่อก่อนมันก็ปรุงแต่งเฉพาะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอภายในใจของบุคคลมีกิเลสเป็นเอิดเข้าไปปรุงต่อก็มีการปรุงต่อไปและมีการกำหนดใหม่ถ้าได้รับการยกย่องเสมอ กเกิดความกับหนาดเพิ่เพลินยินดีเพิ่มกิเลสกิเลสสายโลภะหรือเพิ่มต่าหาขึ้นมาถ้ารับการต้อนรับยอมรับไม่สมกับที่ ต, น, ตนคิดว่าควรจะได้รับได้ยอมรับก็จะเกิดปฏิฆาความไม่พอใจความหงุดหงิดซึ่งบางครั้งอาจจะประทุสร้ายต่อบุคคลเหล่านั้นก็ได้เต่บางครั้งบางคราวในวงราชการเป็นต้นข้าราชการผู้ใหญ่ปลายลูกน้องไม่รับ สมศักดิ์ีตามที่คิดว่าท่านควรตามที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้แล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาหาเรื่องเบียดเบียนการแก้งลูกน้องมาหาความผิดไม่ได้ก็บอกว่าขาดมนุษยสัมพันธ์ปยายประจำย้ายไปะอะไรอะไรนี่คือการเคลื่อนไหวของกิเลสที่ทำปฏิกริยาต่อจิตอันเกิดขึ้นจากภาวะอันเกิดขึ้นจากสังขารภพคือกิเลสที่ปรุงแต่งใจ ปรุงแต่งให้เป็นไปด้วยประการต่างๆข้อนี้แม้แต่ในขณะที่นั่งประพฤติปฏิบัติกรรมฐ า, านอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ปรุงแต่งให้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ได้เพราะพบเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลเนืงจากสังขารเป็นทั้งกุศลอกุศลเปนยกตัวอย่างว่าเรานั่งนั่งทำสมาธิต้องการความสงบ เมื่อมีความสงบบังเกิดขึ้นจิตใจก็จะชื่นชมยินดีในความสงบเหล่านั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นปีติเป็นประโมทเป็นเรื่องของสายกุศลเป็นพบเหมือนกันเป็นสังขารพบอย่างหนึ่งเหมือนกันพอได้ยินใครทำเสียงเป็นอุปสรรคต่อความสงบก็เกิดปฏิฆะแล้วก็เกิดการปรุงแต่งกิจขึ้นมา แสดงอาการไม่พอใจออกมาหรือไม่แสดงก็อาจจะเกิดคุณคุณมัวภายในใจไม่สบายใจไม่ชอบใจต่อการกระทำคำบุคคลเท่านั้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วแกก็ขาดเหตุขาดผลเช่นว่าคนบางคนก็เป็นหวัดซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นอาการของโรคใครก็คุมไม่ได้ใครก็ไม่อยากเป็นแต่เพราะว่ากิเลสมันขึ้นกลุ่มรุมใจมากเกินไปจนขาดเหตุผลไป แต่นั้นความโกรธบางครั้งก็พอสมควรเกิดเหตุบางครั้งไม่สมควรเกิเหตุบางครั้งความกลายเป็นความร้ายเหตุผลไปเลยแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายและปรุงการปรุงแต่งในแนวนี้กว่าจะออกไปได้จะเรามีความรู้สึ ก, กว่าเราเป็น อย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องการสิ่งต่างๆมาปนปลือตอนเองมาแสดงสถานะของตอนเองให้เหมาะสมแก่ความเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช้เสื้อผ้าอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนบ้านหรืออาจจะเปลี่ยนมากขึ้นไปกว่านั้นตอนนี้รุ่นแรกแต่เป็นอาการของภาวะ ภาวะโยคะหรือพาวะโอคะโอกาคือพบที่ผลักใสจิตใจของบุคคลแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการแสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองบ้างเป็นพิษเป็นภัยต่อเป็นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ บ, บุคคลอื่นบ้างเกิดจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้เพราะสังขาร น, นั้นมาอยู่สาประการ่ที่ว่า ม, มาแล้วคือเป็นปุญญาพิสังขารพิสังขารคือความดีหรือบุญก็ได้ <c oughs> เป็นอภิ <c oughs> เป็นอปุญญาพิสังขานอภิสังขานคือบาปคือความชั่วก็ได้เป็นเลนตารพิสังขารคือการปรุงแต่งใจจะให้เกิดความสงบขึ้นไปโ ด, โดยดําดับจนถึงบรรลุอรุ ป, ปริชานก็ได้แต่ก็นี้จะเห็นว่าประกอให้เปิดความเป็นขึ้นมาและยามใดที่บุคคลยึดมั่นอยู่ในความเป็นเหล่านั้น ความก้าวหน้าในชีวิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเป็นอาการยึดติดอีกประการหนึ่งนอกจากที่ก่อให้เกิดความกำหนัดในอารมณ์ที่ตนชอบความขัดเคืองในอารมณ์ที่ที่ตนจังแล้วยังก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเหล่านั้นแล้วไม่ยอมปล่อยวางสิ่งต่างๆดัง น, นั้นในชั้นของการรับปฏิบัติจะก่อให้เกิดการยึดติดอยู่ในแต่ละรํา แต่ละลำดับของการปฏิบัติเช่นบางคนก็ติดอยู่ที่ช่วงช่วงของทานอาจจะติดอยู่ที่ช่วงของศีลติดอยู่ที่ช่วงของกรรมฐานของสมถะกรรมฐานแล้วก็อาจจะติดแต ก, กออกไปจะจุดนั้นเราต้องวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้ต้องพูดโธเท่านั้นต้องสัมมาอาระหังเท่านั้นหรือต้องยุบหนอผ่องหนอเท่านั้นได้รต่ออะไรเพราะ ก, กลายเป็นภาวะหรือกลายเป็นภพขึ้นมาก็ขอให้เกิดความเป็นในความยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาเป็นการอาศัยเพื่อละว่างตัวอย่างที่บุคคลจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็เหมือนกับการเดินของบุคคลในแต่ละก้าวถ้าเราต้องการเดินเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นเราอาศัยเหยียบในที่นั้นแล้วต้องทิ้งที่นั้นแล้วก็เหยียบต่อไปเท่านั้นเองในช่วงอาศัยก็อาศัยแต่ไม่อาศัยแล้วก็ติดอยู่เท่านั้นก้าวเดินไปเรื่อย เหยียบแล้วก็ทิ้งเหยียบแล้วก็ทิ้งครั้งแรกก็อาศัยครั้งที่สองก็ทิ้งไปอาศัยนั้นอาศัยเป็นตัวยึดก่อนแล้วอาศัยเป็นตัวส่งให้ลองเวลาบุคคลเดินเดินนะครัครั้งแรกเราอาศัยเป็นตัวยึดก่อนพออีกก้าวหนึ่งเราอาศัยไอรอยตรงนั้นเองเป็นตัวส่งเพื่จะไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วก็เท้าก็ไปยึดอีกที่หนึ่งแล้วก็ส่งต่อไปการวิบัติธตรรมะในฐานพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนั้น จะถาไม่สอนให้ไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพอถึงจุดหมายปลายทางก็ห้ามพยายามต่อไปพระพยายามต่อไปก็จะเลยไปเพราะว่หรือพบอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของพบต่างๆที่สัตว์จะต้องไปอุบัติอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการปรุงของสังขารเหมือนกัน แต่การปรุงในปัจจุบันนั้นเป็นการสร้างพบในอนาคตคือพบที่สัตว์จะต้องไปอุบัติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงพบไว้เพียงสามพเท่านั้นเองคือการมาพบภพบที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกรรมามคุณหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ด้วยกรมกามคุณเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างในกรมกาคุณแต่ตามปกติแล้วสุขจะน้อยกว่าทุกข์อย่างที่ทรงแสดงว่า กามนั้นมีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อตัวพบกับประณีตขึ้นไอความทุกข์ที่หยาบหยาก็จางลงไปจะมีก็เป็นเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไอความทุกข์ที่ไม่รุนแรงเกินไปแต่ก็ยังตกอยู่ในทะเลทุกข์ของสังสารวัฏคือการหมุนวนอยู่ในกระแสของกิเลสกรรมไมบัิ ถ้าเรียกพบเหล่านี้ว่ากามปพบคือพบที่ใจของสัตยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามขคุณเพราะอะไรเพราะยังมีกิเลสอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นพบเหล่านี้เกิดขึ้นจากสังขารที่เป็นเขาเรียกสังขาราพบคือการกระทําบุญของบุคคลทั้งหลายบ้างการกระทําบาปของบุคคลทั้งหลายบ้างประการประพบนั้นอบายสิ่ก็เป็นกามปพบมนุษย์ก็เป็นกามปพบ สวรรค์หกชั้นก็เป็นการมาพบซึ่งจากมนุษย์เป็นต้นไปก็เกิดขึ้นด้วยปุษชนที่แตกต่างกันอาวายสีประการก็เกิดขึ้ น, นจากอำนาจของอคูศลแตกต่างกันในส่วนของรูปประพบันเกิดขึ้นจากผลของการบาเพ็ญเพียรแต่ก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งใจให้มีความสงบมีความประนีตขึ้นไปแล้วท่านก็ได้พบได้ชาติประณีต คนนี้ท่นทั้งหลายอาจจะดูตัวอย่างบุคคลที่เป็นช่วงยาวๆหน่อยจำนนคนที่ศึกษาแลาเรียนมาก็ถูกปรุงแต่งด้วยวิชาความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาการต่างๆนี่ก็เป็นสังขารพบคือสังขารที่ปรุงแต่งให้เกิดความเป็นขึ้นเป็นนักศึกษาปีหนึ่งสองสปีสีได้เป็นญาตีเป็นญาโทกกวากันไปก็ปรุงกันไปเรื่อย แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรุงไปในทางดีเวลาแกออกไปทำงานฐานะตำแหน่งก็สูงขึ้นผิดปกติแทนที่จะเริ่มจาก C1 ก็ไม่เริ่มจาก C1 ไปเริ่มจาก C3 C4 C5 ไปเลยนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ในปัจจุบันว่าการศึกษาเราเรียนนั้นเหมือนกับสังขารเพบการได้ตำแหน่งหน้าที่ก็เหมือนกับอุปติภพหรือดูตัวอย่างในชั้นหนึ่งชั้นแคบๆเข้ามาอีก เพราะการปรุงแต่งจิตในขณะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนี่แต่ว่าจิตถูกปรุงแต่งด้วยความวิตกกังวลถึงรถถึงบ้านถึงลูกหลานถึงการงานถึงโรคภัยตลอดถึงความวุ่นวายต่างๆเวลานั่งกรรมฐานพบก็ไม่ดีคือใจก็ไม่สงบพระใจพระจิตตอนแรกถูกปรุงแต่งมาไม่สงบ พอไปถึงจุดหนึ่งความสงบก็เกิดขึ้นไมาได้ถ้าใจของบุคคลได้ตัดปริโพ o เครื่องกังวลต่างๆออกไปจากใจไม่ใจไปเกี่ยวเกาะมากเกินไปสามารถสงบอยู่ด้วยอารมณ์ด้วยธรรมะในขณะนั้นๆเวลานั่งบาเพ็ญเพียรทางจิตก็จะเกิดความสงบงขึ้นมาได้ตามสมควรแก่การปรุงของจิตในขณะนั้นๆ ซึ่งอาจจะสงบได้นานๆหรือว่าสงบได้ช่วยระยะเวลาหนึ่ ง, งก็ตามเพราะมีประการหนึ่งนั้นเขาเรียกว่ารูปปพบคือพบที่ไม่มีรูปซึ่งก็หมายถึงว่าจิตใจของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติในชั้นแรกในช่วงแรกมันเปิดความพอใจในรูปธรรมทั้งหลายค้อนี้ให้ลองสังเกตให้ลองสังเกตว่าคนนั้น สมมติว่าคนไปกันในสถานที่ใดที่หนึ่งใจของบุคคลหนึ่งไม่ชอบอะไรแต่ต้องการจะดูเพียงเฉยๆคือไม่ได้คิดใจไปซื้อหาอะไรยกตัวอย่างว่านิทัศกายนิทาศการตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรเนี่ยไอตัวนั้นก็เป็นพบอย่างหนึ่งแต่ว่าใจคนที่ไปดูนั้นบางคนลูกก็ขอให้พาไปก็ไป แต่ใจไม่ได้ปรุงไปไปจะซื้อมาใช้ประโยชน์อะไรมาดูมาเล่นอะไรไปดูๆไปนั้นก็ได้ความชื่นชมได้ศิละปะได้ความแรงบันดาลใจในศิละปะเหล่านั้นแต่ว่ากลับมาแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาด้วยแต่ถ้าบางคนไปเพื่อจะซื้อมันก็ต้องหอบมาป ร, รุงพรังคือมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วย ใจิตใจของบุคคลในเบื้องต้นเป็นการกำหนดให้เห็นพฤติกรรมในเบื้องต่อไปแต่ใจตั้งไว้อย่างไรแล้วกาดต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติสำหรับความพอใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะประณภทอย่างไรก็ตามทา่านก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรือ ป, ปัญหาที่สุดไม่ได้จะไปอยากได้ในวัตถุมันก็หาที่สุดไม่ได้เมื่อไรจะพอเมื่อไรจะหยุดกันสักทีเมื่อไรจะอิ่มสักที ก็เลยเลิกให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าใจไม่เกี่ยวก่อในส่วนของรูปธรรมเป็นใจที่ประนีตขึ้นสงบขึ้นสูงขึ้นซึ่งวัที่จริงก็สูงกว่าสามัญชนเป็นอันมากทเนี่แต่ก็ยังเป็นภพเรียกว่าเป็นอรูปภพคือภพที่ไม่มีรูปไอ้ตัวภพเหล่า น, นี้ประเด็นสำคัญในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็คือว่า ตามอย่างไรในแง่ของสังขารที่ปรุงแต่งใจบุคคลจะสร้างพบของใจคือที่อยู่ของใจหรือเรือนของใจให้มีความสงบมีความเยือกเย็นไม่มีเรื่องวุ่นวายมากนัก น, นี่ก็คือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้โดยอเน ก, กปรียากคืต้องการได้พบใจนั้นมันดีคือเรือนใจของบุคคลดีแต่ครัางก็แสดงว่าตรงๆเลยวันนี้คือเรือนใจนะ เมติอิงอาศัยข้างใจเจริญทรงสแสดงพระมัยหารธรรมในฐานะเป็นเรือนใจคือเมติอิงอาศัยข้างใจซึ่งบุคคลจะต้องมีธรรมะเหล่านั้นตามสมควรแก่กรณีของบุคคลที่ต้งเข้าไปเกี่ยวข้องโดยอาศัยการปราลบธรรมเป็นประมาณเช่นสมัครคนทั่วไปก็ให้มีความรู้สึกเมตตาคนที่ประสบความเดือดร้อนก็ให้รู้สึกกรุณนาคนได้ ประสบความเจริญก้าวหน้าก็รู้สึกมุชิตาคนที่ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานที่ประสบควา ม, มวิบัติประกรรของตนก็ทําใจเป็นอุเบกขาได้นี่เพื่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใจมีธรรมะเหล่านี้แล้วพบคือที่อยู่ของใจที่อิงอาศัยข้างใจก็จะเป็นใจที่มีความส ง, งบเย็นเย็นจากอะไรเย็นจากความมขาตพย า, ายามเมื่อเกิดเมตตาขึ้น เย็นจากความเบียดเบียนความเศร้าโศกเมื่อเกิดโควณาขึ้นเย็นจากความริษยาเมื่อเกิดมุติตาขึ้นเย็นจากความลำเอียงเมื่อเกิดอุเบกขาขึ้นใจที่มีภพสภาพเป็นอย่างนี้เป็นใจที่พึงประสงค์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปรุงแต่งใจของบุคคลโดยการน้อมนาเอากุศลธรรมมาเป็นหลักยึดแนวทางใจ ลผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การรัพฤิปฏิบัติแของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป